ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมากับเรื่องราวนะคะของอาถรรพ์นางตะเคียนค่ะ EP ที่สองนะคะต่อจาก EP แรกที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันไปนะคะในสันนะคะ เล่าต่อค่ะว่าทราบจุดประสงค์ของเท่าแก่ผู้เป็นเจ้านายแล้วเวลานั้นก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบนิสยัยแล้วก็สันดานของเท่าแก่โรงเลื่อยเจ้าของสัมปทานคนทำไม้คนนี้อย่างมากพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจว่ามีโอกาสจะไม่ขอร่วมทำงานกับแก่อีกเลยในความคิดของข้าพเจ้าเห็นว่าแก่นแท้ของเท่าแก่โรงเลื่อยเป็นคนโลภอย่างน่ารังเกียจ การแสดงออกของแกทำให้เห็นว่าต้องการสิ่งใดก็จะเอามาให้ได้ไม่คำนึงถึงความผิดถูกสมควรหรือไม่สมควรแม้แต่น้อยดังเช่นต้นตะเคียนต้นนี้การเลาะเว้นไม่ตัดต้นตะเคียนแค่ต้นเดียวไม่ได้ทำให้แกขาดผลประโยชน์อะไรมากมายเลยหรือแม้จะตัดข้นต้นตะเคียนลงมาก็ใช่ว่าจะทำให้แกมั่งมีร่ารวยเพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่แล้วเวลานั้นแกก็รวยไม่รู้จะรวยไปถึงไหนแล้ว อีกประการหนึ่งก็คือเจ้าของต้นตะเคียนหรือนางตะเคียนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพูดผีปีศาจหรือเป็นรุกขเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นตะเคียนได้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องการให้ใครมาตัดค้นทำลายต้นตะเคียนถึงกับทำอันตรายผู้ที่ไม่เชื่อฟังจนเสียชีวิต ข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลประเภทมีความเชื่ออย่างงมงายหรือเชื่อและนับถือพูดผีวิญญาณอย่างไร้เหตุผลแต่มีความคิดว่าถ้าละเว้นการทำลายต้นตะเคียนได้ก็ควรละเว้นเพราะการไปข้นทำลายต้นไม้อายุนับร้อยๆอปีโดยผู้ที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าวิญญาณของนางตะเคียนได้รับความเดือดร้อนก็เท่ากับว่าเราไปเบียดเบียนแรงแก่ผู้อื่นไปทําให้เขาเดือดร้อนหรือลําบากแล้วก็เป็นทุกข์สำหรับเท่าแก่คงไม่คิดเรื่องนั้น แกคงคิดอยู่แค่ว่าต้นตะเคียนอยู่ในเขตสัมปทานก็ต้องเป็นต้นไม้ของแกเรื่องอะไรจะปล่อยทิ้งไว้ให้เสียรายได้เปล่าๆยิ่งมาเจอริตของนางตะเคียนบันดาลให้คนงานที่แกให้รางวัลพิเศษล่อตาลอใจที่ไปตัดคนต้นตะเคียนถึงตายในสภาพน่าสยดสยองเท่าแกคงจะพานกโกรธต้นตะเคียนและเกิดทิฐิต้องการเอาชนะต้นตะเคียนนี้ให้ได้ ก็เลยต้องไปเสาะแสวงหาอาจารย์เสยศาสตร์มาสะกดลอำนาจนางตะเคียนแต่ตัวเท่าแก่เองก็คงกลัวริษณ์นางตะเคียนไม่น้อยจึงไม่ยอมเสี่ยงเข้าป่ามาควบคุมการตัดท้นต้นตะเคียนด้วยตัวเองคงคิดว่าเมื่อแกอยู่ในเมืองนางตะเคียนย่อมทําอะไรแก่ไม่ได้ตอนเช้าของวันที่อาจารย์เสยศาตร์ชาวเขมรมาทําพิธีสกดนางตะเคียนให้หมดฤิษณ์ข้าพเจ้าต้องออกไปทํางานแต่เช้ามืดแต่ได้รับฟังเรื่องราวจากเพื่อนคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า อาจารย์ซื้อไก่ที่คนงานเลี้ยงไว้ถึงห้าตัวจัดการเชือดแล้วต้มจากนั้นก็นำไก่ต้มไข่ต้มเนื้อผลาปลายำแล้วก็เอาเหล่าขาวไปเส้นที่คนต้นตะเคียนจากนั้นตัวอาจารย์ก็ได้เวทบริกรรมอยู่นานแล้วก็ได้ใช้ตะปูขนาดใหญ่ตอกลงไปฝั่งที่ต้นตะเคียน ที่จริงอาจารย์จะต้องตอกตะปู ร, รอบต้นตะเคียนให้ครบ7ดอกแต่ว่าตอกได้แค่3ดอกก็เกิดเหตุการณ์อนลหมานเนื่องจากมีฝูงพึ่งจากไหนก็ไม่รู้บินเข้ามาเกลียวกราวโจมตีต่อยทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่เลือกหน้าตัวอาจารย์ศยศาสตร์แล้วก็ลูกศิษย์ก็เจอพึ่งต่อยวิ่งกระเจิงเอาตัวเอาตัวเกือบไม่รอดเหมือนกันแล้วก็มีคนงานหลายคนที่ไปดูอาจารย์สะกดกำรับนางตะเคียนก็ถูกพึ่งต่อยวิ่งหนี6กล้ม6ลูกกันทุกคน เมื่อกลับมาที่ปางไม้ปรากฏว่าอาจารย์ที่โดนอาจารย์ขมรนที่โดนพึ่งต่อยเนี่ยหนักกว่าทุกคนบริเวณใบหน้าที่ถูกต่อยหลายแห่งจนหน้าบวมลูกศิษย์สองคนก็เจ็บไม่เบาตัวอาจารย์ขมินมีท่าทางโกรธแต่แกคงเสียหน้าไม่น้อยที่เสียแรงเป็นอาจารย์ชื่อดังแต่มาวิ่งหนีสัตว์ตัวนิดเดียวคือพึ่ง พอตกตอนค่าข้าพเจ้ากลับมาถึงปางก็ได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวจากคนงานยังร่วมวงพิภาควิจารกันว่าอยู่ดีๆมีฝูงพึ่งมาจากไหนไม่รู้เข้ามาไล่ต่อยอาจารย์ศยศาสตร์และลูกศิษย์รวมทั้งคนงานที่ไปร่วมในเหตุการณ์น่าจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของนางตะเคียนแน่นอนและในบริเวณ น, นั้นไม่มีรังพึ่งให้เห็นเลยในคืนนั้นข้าพเจ้าและทุกคนที่อยู่ในปางไม้ ก็พบกับเหตุการณ์น่าขนลุกอีกกล่าวคือเมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่กําลังหลับสนิทก็ต้องพอหววตื่นพร้อมๆกันเมื่อมีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากทิศ ท, ทางที่ต้นตะเคียนตั้งอยู่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงกําลังกรีดร้องประหนึ่งได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสบางครั้งก็จะเป็นเสียงร่าไห้ด้วยความโศกเสียใจอย่างที่สุด ข้าพเจ้าทวนฟังเสียงโหยหวนเยือกเย็ยนอย่างหน้าขนพองสยองเกล้าวลอยมาตามลมเป็นพักๆภายในโรงเรือนต่อไปไม่ไหวก็เลยตัดสินใจลุกออกจากที่นอนปรากฏว่าไม่ได้มีแค่ข้าพเจ้าคนเดียวที่ออกมาข้างนอกมีคนงานและหัวหน้าคนงานเกือบทุกคนทยอยกันมาอยู่ตรงลานกว้างแล้วก็ก่อกองไฟขึ้นเพราะว่าอากาศในป่าตอนดึกมันหนาวเย็ยนเยือกคราวนี้ทุกคนล้อมวงผิงไฟกันเป็นกลุ่มเงียบ แทบไม่มีใครพูดคุยหรือสนทนากันเลยแต่ละคนเงี่ยหูฟังเสียงกรีดร้องหโหยหวนด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพลันพลึงหัวหน้าคนงานบางคนจะเข้าไปถามอาจารย์ศยศาสตร์ที่พักอยู่ในกระท่อมที่เป็นกระท่อมว่างหลังหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ห้ามไว้บอกว่าอาจารย์กําลังทําพิธีบางอย่างเพื่อป้องกันทุกคนเพราะผีนางตะเคียนรายนี้แรงมากเสียงอันน่าสะพรึงดังเป็นพักๆอยู่นานทีเดียวกระทั่งใกล้สว่างจึงได้เงียบไป ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานทุกคนกลับเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์ศยศาัตร์ได้ให้ลูกศิษย์2คนเอาเลื่อยยนไปค้นต้นตะเคียนโดยมีหัวหน้าคนงานคนหนึ่งไปช่วยแนะนำและดูแลให้แต่ไม่ยอมลงมือตัดด้วยต้นตะเคียนต้นนั้นก็ล้มลงไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวและอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ววนหวันกันแสดงว่าอาจารย์ยศยา์ศัต์คนนั้นเก่งจริงและสามารถสะกดนางตะเคียนจนหมดฤทธ อีกหนึ่งเดือนต่อมาค่ะตะเคียนใหญ่ต้นนั้นก็ถูกขนขึ้นรถบรรทุกสูงเพื่อ น, นําส่งเข้าโรงเลื่อยในเมืองระหว่างนั้นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือน่ากลัวอย่างใดเกิดขึ้นอีกเลยราวกับว่านางตะเคียนได้สูญหายไปแล้วสําหรับข้าพเจ้าก็ยังคงทํางานตามปกติเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบเห็นด้วยตนเองเป็นเรื่องที่มีผู้เล่าให้ฟังในภายหลัง เขาเล่าว่าเมื่อรถบรรทุกสูงเดินทางออกจากป่าแล้วก็แล่นไปตามทางหลวงจนกระทั่งใกล้จะถึงอำเภอเมืองตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเครื่องยนต์ก็เกิดดับไปดื้อยังดีที่คนขับรถมีสติปล่อยให้รถไหลเลื่อนเข้าไหลถนนขอบทางทำให้ไม่เกะ ก, กะขวางทางจราจรคนขับซึ่งเป็นช่างยนต์ด้วยก็พยายามแก้ไขเครื่องอย่างไรก็ไม่ติดจึงต้องตัดสินใจจอดรถไว้ไหลาทาง เอาตะเกียงผูกไว้ที่สุงท้ายรถเพื่อเป็นสัญญาณให้รถแล่นไปมามองเห็นแต่ไกลแล้วก็ให้เด็กท้ายรถอาศัยรถสิบล้อเข้าไปที่โรงเลื่อยไปตามช่างใหญ่มาแก้ไขส่วนคนขับรถก็นอนเฝ้ารถคอยอยู่เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนช่างใหญ่ยังเดินทางมาไม่ถึงที่รถบรรทุกทุงจอดเสียอยู่ข้างทางคนขับรถเลยขึ้นไปนอนพักผ่อนที่เบาะหน้าตรงคนขับ กำลังนอนเคลิบเคลิมก็ต้องตกใจสุดขีดนะคะเมื่อเกิดเสียงดังเหมือนฟ้าผ่ารถบรรทุกสูงสะเทือนไปทั้งคันถ้าไม่ใช้ขอนไม้หนุนล้อไว้ตอนนี้ก็คงทลาหัวทิ่มลงคูข้างทางเป็นแน่ คนขับตะเกียกตะกายลงมาดูก็เห็นรถเบนซ์คันหนึ่งเสียบติดอยู่กับท่อนซุงที่ยื่นยาวออกไปแสดงว่ารถคันดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วแล้วก็ขับกินทางลงมาที่ไหล่ถนนก่อนจะพุ่งเข้าชนท่อนซุงเต็มเหนี่ยวซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าเส้นทางช่วงนี้เป็นทางตรงและรถบรรทุกสูงก็จุดตะเกียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีรถจอดเสียอยู่ข้างทางเพื่อให้เห็นแต่ไกล คนขับรถลนลานไปที่รถเบนซ์ซึ่งด้านหน้าแหลกยับภาวนาขอให้ผู้ที่ขับขี่อย่าได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าพอไปถึงตรงที่นั่งคนขับคนขับรถบรรทุกสูงนะคะก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อเห็นคนขับที่ถูกอัดติดอยู่กับพวงมาลัยซึ่งย่นเข้ามาทิ่มตรงอกนะคะจนตายค่าที่ค่ะเพราะว่าผู้ขับรถเบนซ์คันนั้นคือเท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยและเจ้าของสัมปทานทําไม้ในป่านั่นเองค่ะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะ ที่เท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยขับรถมาชนไม้ตะเคียนที่ตนเองสั่งตัด เหตุที่เกิดความบังเอิญอย่างน่าสยดสยองเช่นนี้เนื่องจากว่าเท่าแก่เนี่ยไปร่วมงานแต่งงานต่างอำเภอแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านประจบเหมาะกับรถบรรทุกซุงไม้ตะเคียนมาจอดเสียอยู่ข้างทางการที่เท่าแก่พุ่งรถเข้ามาชนท้ายรถบรรทุกซุงชนิดไม่มีรอยเบรกแม้แต่น้อยตํารวจเจ้าของคดีสันนิษฐานว่าเท่าแก่น่าจะหลับนหรือคนขับรถหรือว่าขณะขับรถเนี่ยอาจจะเมาสุราก็ได้แต่ว่าคุณวสันนะคะหรือว่าคุณคมสันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อนะคะว่า น่าจะเป็นแรงอาฆาตของนางตะเคียนที่ดนใจให้เท่าแก่ของโรงเลื่อยเนี่ยมาพบกับจุดจบของชีวิตเช่นนี้นะคะซึ่งต่อมาทราบในภายหลังว่าภรรยาแล้วก็ลูกๆของเท่าแก่นำซุงไม้ตะเคียนทั้งหมดไปถวายวัดเพื่อสร้างเป็นกุฏิพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเท่าแก่ส่วนคุณวสันต์ก็ทางานจนครบปีก็ลาออกไปทาอาชีพอื่นค่ะ เรื่องแปลกๆส่งท้ายจากคุณสุมลสมาสารนะคะเขาราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำอยู่ในกองลูกเสือค่ะตำแหน่งผู้จัดการวรารสารลูกเสือเขียนเรื่องที่ประสบพบเหตุมาด้วยตัวเองค่ะลงในหนังสือพบอื่นเรื่องที่ควรคํหนึ่งค่ะรวบรวมโดยศาสตราจารย์แพทย์อวยเกตสิง์นะคะ คุณสมนได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปร่วมอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองชั้นเบื้องต้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยพลาศึกษาที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งปิดอบรมในวันที่ 25-27 สิงหาคม2510นะคะโดยคณะผู้อบรมคณะใหญ่ได้ล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่บ่ายวันที่24ส่วนคุณสมน์ค่ะจะตามไปภายหลังเนื่องจากว่าเย็นวันที่24สิงหาคมเป็นวันชาปนกิจศพคุณ วัชรีเอี่ยมสกุลภรรยาของคุณเกรียงเอี่ยมสกุลอธิบดีกรมสามัญศึกษาขณะนั้นซึ่งคุณสมวุสุมนนะคะจะต้องอยู่เผาศพก่อนเผาศพเสร็จแล้วนะคะจึงจะขับรถส่วนตัวตามไปที่อำเภอศรีราชา หลังจากพิธีชาปนกิจผ่านไปคุณสมบุญก็ออกเดินทางจากกรุงเทพไปที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยขับรถยนต์ส่วนตัวนะคะมีคุณกำมลดิศกมล น, นะคะนั่งไปเป็นเพื่อนแล้วก็ตอนแรกค่ะก่อนออกเดินทางเนี่ยคุณกำมล์บอกว่าแนะนำให้ไปที่ศรีราชาในตอนเช้าจะดีกว่านะแต่ว่าคุณสมบุญยืนกรานว่าจะต้องไปคืนนี้ให้ได้เพราะว่าการอบรมจะปิดเวลา8โมงเช้าและคุณสมบุญจะต้องเตรียมงานล่วงหน้าหลายอย่างคุณกำมลจึงนั่ง ไปเป็นเพื่อนเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวน่าจะไม่ปลอดภัย ออกจากกรุงเทพประมาณ19บเนาฬิกาค่ะคุณส ม, มน์ขับรถไปเรื่อยๆด้วยความเร็วพอประมาณแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนแต่ก็ไม่ถึงกับวิตกกังวลอะไรมากนักเพราะว่าเส้นทางสายนี้เคยขับรถไปมาบ่อยๆเมื่อถนนโลง่งไม่มีรถสวนมาคุณส ม, มน์ก็จะเปิดไฟสูงเพื่อให้เห็นเส้นทางในระยะไกลกระทั่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 81.5 ตรงนั้นเป็นทางโค้งนิดๆนะคะแล้วก็จะมีสะพานตเตี้ยอยู่ตรงทางโค้งพอดีค่ะ คุณสมนเห็นมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสวนมาก็ได้เปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟต่ำเพื่อไม่ให้แสงไฟไปแยงตาผู้ขับรถคันที่กำลังสวนมาพอรถทั้งสองคันเข้ามาอยู่ในระยะใกล้จะสวนกันคุณสมน์ก็เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ล้มนอนขวางอยู่ในเส้นทางของคุณสุมลไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มาขวางอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มาขวางอยู่อย่างไรเพราะว่าตอนแรกที่มองไปนี่คือทางมันโล่งอยู่ตลอดเลยจังหวะนั้นรถบรรทุกจะเข้าโคง้งแล้วก็ขึ้นสะพานอยู่แล้วหากคุณสุมลหักหลบจักรยานยนต์คันที่ล้มอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ขับสวนขึ้นไปคงจะต้องขับชนกับรถบรรทุกแหลกยับเยินเป็นแน่นะคะจะหลบลงด้านซ้ายก็เป็นคูน้ํา คุณสมน์ก็เลยตัดสินใจขับลุยเข้าไปชนจักรายานยนต์คันนั้นตรงๆพอเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วล้อเกิดตายทั้งสี่ล้อค่ะรถหมุนปัดพุ่งทะลาเข้าหารถบรรทุกในเสี้ยววินาทีรถพุ่งเข้าหาเงาดาทมึนของรถบรรทุกคุณสมน์บอกว่าหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายเพื่อหลบการชนประสานงาแต่ว่าพวงมาลัยกลับแข็งหมุนไม่ได้ ในพริบตานั้นด้านขวารถของคุณสมนก็กระแทกหัวรถกับรถบรรทุกเต็มเหนียวรถคุณสมนเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปเกือบ10เมตรท้ายรถตกลงไปในคูแต่ว่าไม่พลิกคว่ำคุณสมนนั่งตะลึงอยู่ในที่ที่คนขับ2มื อ, อยังกำพวงมาลัยที่บิดเบี้ยวเพราะว่าแรงกระแทกเป็นอย่างแน่นเลยนะคะแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะค่ะช่วงเวลาวิกฤต น, นั้นคล้ายกับมีพลังอย่างใดอย่างหนึ่งผลักดันให้คุณสมนหันไปมองด้านหลังซ้ายมือซึ่งท้ายรถทิ่มลงไปในคูน้ํำตื้น ทันใดคุณสมบุญก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งโผล่หน้ามาด้านหลังกระจกประตูซ้ายมือผู้ชายคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อเป็นลายริ้วสีเทาดําหน้าตาขมุขขมอมผมเผ้ายุ่งเหยิงกําลังมองมาทางคุณสมบทําปากผงาบผงาบคล้ายจะพูดอะไรคุณสมบฟังไม่ได้ยินก็เลยฟังไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจนะะี่ะแต่ว่ า, าจึงเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าชายคนนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าเดินหนีไปอย่างไรนะะี่ะเพราะว่า ถาผู้ชายคนนี้เดินหนีคุณส ม, มน์บอกว่าคุณส ม, ม, น, ณส ม, มนต้องเห็นหรือว่าจะเดินอ้อมทายรถก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากทายรถนี่มันแช่อยู่ในน้ําไม่มีเหตุผลใดจะต้องเดินลุยน้ําลุยโคลนไปทางด้านนั้นพอมองไปที่ถนนรถจักรยานคันที่เห็นลมกลิ้งอยู่บนผิวถนนกลับหายไปอย่างเหลือเชื่อไม่มีสิ่งใดโยนพื้นถนนแม้แต่อย่างเดียวค่ะอุบัติเหตุครั้งนั้นคุณส ม, มน์บอกนะคะว่าได้รับบาดเจ็บแค่ข้อมือเดาะส่วนคุณส ม, มนเจ็บที่หัวข่านิดหน่อยแต่รถพังจับ ทั้งแถบค่ะทั้งสองคนยังดีนะคะที่มีพระคุ้มครองอยู่เพราะว่าต่างก็มีหลวงพ่อดีห้อยคอทั้งคู่คุณสมน์สอบถามเพื่อนๆที่อยู่เมืองชนว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย ก็ได้ความว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีคนซ้อนท้ายมาคว่มตรงนั้นเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่อีกสัปดาห์ต่อมาเป็นวันพฤหัหสบดีเหมือนกันเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ล้มคว่มถึงแก่ชีวิตที่ตรงนั้นและมีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นไปได้หรือไม่คะว่าวิญญาณของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จุดเกิดเหตุตรงนั้นนะคะ มาแสดงภาพลวงตาเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนตายเพื่อที่เขาจะได้ไปเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันในโลกของวิญญาณ น, นั่นเองค่ะ